ฟายันหาการกำลังย่างเข้ามาดวงธนกรกำลังเคลื่อนคล้อยลงมาจวนจะลับแนวป่าบนฝั่งตะวันตกแห่งแม่น้ำอจิรวดีเกล็ดเมฆที่ดาราดาษอยู่บนม่านฟ้าภาคตะวันตกถูกแสงอาทิตย์ฉาเป็นสีแดงเข้มสลับดำและเหลืองน่าดูฟงวิหกพากันละที่หากิน บินเป็นหมู่หมู่กลับปลวงรังเหล่าโคบานต้อนโคฝูงคู่ยากกลับบ้านทิ้งทุ่งนายและราป่าไว้ท่ามกลางความเงียบสงัดแห่งสายันภากาขนขณะนั้นเปรวัดตัหนุ่มน้อยแห่งหมู่บ้านคนจันทานใรใกล้กรุงสาวัตถีเดินจ้อยจ้อยอยู่หลังฝูงโคของเขามุ่งหน้าสู่บ้านที่มองเห็นลิบลิ อยู่ข้างหน้าผิวกายของเขาดำและหยาบ ก, กร้านแสดงว่าทำงานหนะักเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งบอกให้รู้ถึงความยากจนของครอบครัวจริงทีเดียวบิดาของเขามีอาชีพตัดฟืนขายทุกเวลาเช้าจะเข้าป่าหาฟืนและกลับออกมาในเวลายเย็น เอาปืนเข้าไปขายในนครสาวัตถีแล้วกลับออกมาพร้อมโดยอาหารและเครื่องนุ่งห่มเล็กน้อยบิดาของเรวัตตมีแม่โค น, นมหนึ่งตัวโคนหนุ่มสำหรับเทียมเกวียนอีกสองตัวเขาต้อนมันไปเลี้ยงตามทุ่งและราวป่าทางแถบเหนือของแม่น้ําอจิรวดีพร้อมกับเด็กชาวบ้านทั้งหลายแต่ตามปกติเรวัตตชอบอยู่คนเดียวเงียบ ไม่ค่อยไปเล่นหัวกับเพื่อนๆเพราะเพื่อนฝูงมักพาเข้าไปก่อการทะเลาะวิวาทชกต่อยกับพวกเด็กวันณพราหมบยบ่อยๆ บ, บางคราวถึงกับได้รับบาดเจ็บกลับมาการทะเลาะเบาะแวงเหล่านี้เนื่องจากเด็กวันณพราหมยตั้งข้อรังเกียจเด็กจันทนันแสดงอาการดูหมิ่นเหยียดยามด้วยระการต่างๆเย็นวันนี้เขาต้องต้อนโคกลับบ้านคนเดียว ในเมื่อเพื่อนๆกลับบ้านนานแล้วท่านมาถึงท่าน้ำใกล้หมู่บ้านเขาต้อนโคลงกินน้าและตนเองก็ลงอาบน้ำในแม่น้ำอจิรวดีขณะที่อยู่ในน้ำเขาไม่ลืมที่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพ่งมองดูดวงอาทิตย์สีแดงเข้มซึ่งกำลังจะเคลื่อนลับลงสู่พืนน้ำประสานมือทั้งสองไว้ระหว่างก สวดมนต์ยอพระเกียรติของพระสุริยเทพเจ้าจนกระทั่งพระอาทิตย์ลับหายไปจึงเอามือทั้งสองกอบน้ำยกขึ้นแล้วปล่อยให้หลังไหลลงมาพร้อมกับอธิษฐานขอความมีชัยแก่ตัวเองและคนจันทานทั้งมวลเรวัตตะทำอย่างนี้เสมอมามิได้ขาด นี้พ่อคงจะกลับจากกรุงสาวัตถีแล้ววันเช้าพ่อรับรองอย่างแข็งขันว่าจะซื้อผ้าหม่มผืนใหม่ปามฝากผ้าหม่มผืนใหม่ที่สวยงามคงรออยู่แล้วที่บ้านตั้งแต่นี้ต่อไปคงนอนเป็นสุขแน่นอนหนาวมาะตัดแต่ต้นฤดูเห็มันพ่อบอกว่าจะซื้อแต่ก็ไม่ได้ซื้อต่อเอาเงินไปใช้ทํากิจอย่างอื่นเงินจึงไม่พอซื้อผ้าห่มให้สักทีควรจะสมหวังคาไหม พ๋อกลับมาแล้วเหรอเปรวัตต์พ่อกําลังคออยู่ทีเดียวเหนื่อยมากไหมไม่เหนื่อยเลยอ่ะกววันนี้จะได้ผ้าห่มนะนี่พ่อซื้อมาให้อยู่ไหนอะคงจะสวยมากใช่ไหมพ่อเอ่อเอ่อเอ่อพ่อไม่รู้จะบอกเจ้ายังไงดีให้แม่เจ้าเป็นคนบอกดีกว่าพ่อจะมาบอกแม่เหอะมีอะไรเหรอือพ่อพ่อนั่นแหละบอก พราพ่อเป็นคนนับปากว่าจะซื้อผ้าห่มให้แต่พ่อก็ไม่ได้ซื้อพ่อเสียใจจริงๆที่ผิดสัญญาพ่อมีเงินไม่พอใช่ไหมไปเป็นไรเราพ่อวันนี้เงินไม่พอวันไหนเงินพอค่อยซื้อก็ได้นอนหนาวไว้ตั้งนานยังทนได้เลยแค่อีกวันสองวันจะเป็นอะไรไปพ่ออย่าทำหน้าเศร้าอย่างนั้นสิฉันยังไม่ได้พูดว่าอะไรสักคำเลยเมื่อไม่ได้ก็แล้วกันไปเจ้าไม่เสียใจหรอกเหรอ เรวัตต์ทีแรกก็มีบ้างล้วพอ่อแต่ตอนนี้หายหมดแล้วพ่อก็ต้องเลิกทําหน้าเศร้าด้วยเรวัตต์พ่อมีเรื่องจะบอกเจ้าเรื่องอะไรพอ่อวันนี้ท่านสุมังคละขาหาบดีที่ในกรุงสาวัตถีซึ่งรับซื้อฟืนของพ่อเป็นประจํามานานแล้วได้บอกกับพ่อว่าต้องการเด็กผู้ชายช่วยทํางานสักคนท่านจะคิดค่าจ้างให้วันละหนึ่งข้าปณะนะ ขอร้องให้พ่อช่วยหาให้พ่อก็เลยบอกท่านไปว่าพ่อบอกท่านว่ายังไงอ่ะพ่อบอกท่านว่าพ่อมีลูกชายอายุสิบห้าขวบอยู่คนหนึ่งถ้าท่านต้องการจะนำมามอบให้พ่อฟังพ่อพูดให้จบก่อนเลยวะตดักพ่อพ่อพูดต่อไปะ พ่อพ่อบอกไปอย่างนั้นท่านขหบดีก็บอกว่าถ้าได้ลูกชายของพ่อก็ยิ่งเป็นการดีท่านจะคิดค่าจ้างให้เป็นสองเท่าและพ่อว่ายังไงพ่อได้ปรึกษากับแม่เจ้าแล้วตกลงกันว่าควรจะให้เจ้าไปเจ้าจะไหวยังไงไปอยู่กับท่านขหบดีเถอะนะลูกนะถ้าเจ้าไปอยู่กับท่านแม่คิดว่าจะได้ประโยชน์หลายประการ ได้ประโยชน์หลายประการอะไรแม่ประการแรกเงินค่าจ้างที่เจ้าได้จากข้าพดีถ้าเหลือใช้ก็เก็บรวบรวมเอาไว้แล้ส่งให้พ่อแม่ใช้บ้างเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่หาเลี้ยงชีพพ่อแม่ก็นับวันจะแก่ตัวลงกำลังวางชาก็ลดถอยคงไม่มีแรงพอที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพให้ได้ดีเหมือนแต่ก่อนจะต้องพึ่งพาอาศัยเจ้า อีกประการหนึง่งเมื่อเจ้าเข้าไปอยู่ในเมืองได้รู้เห็นสิ่ ง, งต่างๆจะเกิดความรู้ความฉลาดในอุบายหาเลี้ยงชีพสําหรับตัวต่อไปแต่ว่าพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่หรอกเป็นห่วงตัวเจ้าเองให้มากเถอะพ่อแม่แก่แล้วความสุขสําหรับคนแก่คือการได้เห็นลูกหลานมีความสุขไปอยู่กับท่านกห็หาบ่ดีท่านลูกนะ ท่านก็หาพอดีเป็นพรามไม่ใช่หรยอแม่ถูกแล้วท่านเป็นวันนะพรามแต่เรามันวันนะจันทานนะพ่อเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องวิตกไปหรอกว่าจะได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากท่านพ่อติดต่อค้าขายกับท่านมานานรู้จิตใจท่านดีท่านเป็นวันนะพรามเกิดจากโอทพระพรมมาก่อจริง แต่ท่านไม่ถือชั้นวันนะหรอกข้อนี้พอรับรองได้เอาฉันจะไปตามที่พ่อและแม่ต้องการ เตรียมข้าวของเรียบร้อยหรือยังเรวตัตต์าเรียต้อยแล้วพ่องั้นไปกราบลาแม่ซะสิจะได้ออกเดินทางไปกันแม่ฉันขอลาไปก่อนบัดเป็นสุขทะลุฮะแล้วอย่าลืมทะล่ะลูกเราเป็นจันทานอันต่ำต้อยจงสงบใจเหงียมเจียมตัวตั้งใจปฏิบัติบา ร, รุงทาง่านกะหะบดีให้ดี จำคำสั่งสอนของแม่ไวในรุกนะจาะแม่ฉันจะจำคำของแม่ไว้เอาละไปกันเถอะเรวัตตะฉันไปละแมเรวัตตะ ท่าสุมังคละข้าหาบดีเป็นคนดีจริงอย่างที่พ่อบอกเพราะความกรุณาของท่านจึงได้เสื้อใหม่ผ้าห่มใหม่และชีวิตใหม่มีโ อ, อกาสได้ศึกษาอักษรสมัยจักรราผู้เชี่ยวชาญในพระเวทซึ่งขหาบดีว่าจ้างมาแทนที่จะอยู่ในฐานะเด็กรับใช้กับได้รับความกรุณาประดุจบุตรชายของท่านความสุขที่ได้รับมากมายกว่าอยู่ที่บ้านหลายเท่า แต่นั้นไม่ได้ทําให้ลืมตัวลึกถึงอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นคนจันทรานมีฐานะตระกูลต่ําต้อยจึงต้องสงบเสงี่ยมเตรียมตัวเสมอตั้งหน้าเรียนและทั้งานได้ความไม่ประมาทอออฮะถูพื้นอยู่นี่เองเลยวัตะขยันจริงนะเราอยู่บ้านท่านจะนิ่งดูดาได้ยังไงต้องขยันหน่อยตังขี้เกียจก็ต้องฝืนใจขยันอย่างนี้นะซีท่านขาวดีจึงได้รักท่านมาก รู้ตัวบ้างหรือเปล่ า, าก็พอจะรู้เรามาอยู่ที่นี่ก่อนท่านยังไม่เห็นเป็นที่รักใคร่เหมือนท่านเลยไม่รู้ว่าท่านมีดีอะไรพอจะบอกกันหน่อยได้มากได้สิไม่ปิดบงังหรอกการที่จะทําให้ท่านรักต้องทำตัวเป็นคนสงบสุงเงียมขยันขันแข็งในการงานเราจะต้องทําเหมือนอย่างท่านบ้างเออไม่ใช่แต่ท่านขหาพอดีจะรักท่านเท่านั้นนะแม้แต่ชัยเสนลูกชายคนโตก็ดูชอบท่านมากทีเดียว ท่านน่าจะดีใจให้มากๆนะเรวัตเราดีใจแต่นั่นไม่ได้ทําให้ลืมตัวเออเชยเสนต้องออกไปค้าขายบ่อยๆเลยท่านข้าพอดีเป็นพ่อค้านี่นําสินค้าออกไปก็จะต้องมาทุกห้าร้อยเล่มเกวียนทุกครั้งเที่ยวขายไปตามนิคมในนะครชนบทต่างๆโอ้ยกว่าจะกลับถึงกรุงสาวัตถีก็เที่ยวขายไปเกือบจบด้าวแดนชุมพูทวีตแต่และครั้งกินเวลาเป็นเดือนๆทีเดียว แล่ทุกครั้งก็ต้องเอาชัยเสนไปด้วยเพื่อจะได้เห็นวิธีการซื้อขายเห็นบ้านเมืองและคนถิ่นอื่นๆจะได้มีความรู้กว้างขวางต่อไปจะได้ทำการค้าแทนบิดาไงเรามาอยู่ก็นานแล้วยังไม่รู้เลยว่าท่านขาบดีมีลูกกี่คน <c oughs> ท่านนี่แย่จริงๆไม่ค่อยสนใจทางนี้ซะเลยท่านมีลูกสามคนคนโตเป็นหญิงชื่อกันนิการองลงมาก็ชัยเสนคนสุดท้องเป็นหญิงอีกชื่อลีลาวดีไง ลีลาวดีนางสวยมากท่างกานิกาและลีลาวดีท่านคาบดีให้อยู่ประสาทชั้นสูงสุดมีนางภาษีปฏิบัติบำรุงมีงานคาตเริกใ ห, ใหญ่เท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ลงมารื่นเริงแต่พอท่านขาบดีไม่อยู่ทั้งสองก็ลงมาเล่นข้างล่างเสมออ้าวแล้วไม่ถูกว่าเลยใครจะว่าบิดาไม่อยู่นี่บิดาไม่อยู่ก็มาดาไงโอ้ย นางขหาปัตตานียไม่เคร่งหรอกเรื่องเนี้นำซ้ำยังออกเที่ยวหาความสนุกด้วยกันสะอีกส่วนมากไปกับกัญญาส่วนลีลา ว, วดีไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ชวนคุยสนานเชียรเสียเวลาทํางานไปเยอะแล้วเห็นจะต้องไปสักทีนะขอบใจมากนะเพื่อนช่วยให้ได้รู้ความจริงขึ้นมาอีกแล้วว่างๆคุยกันอีกนะได้สิเลยวตะ์ไอเรามันคนชอบคุยกันอยู่แล้ว <laughs> มานั่นคงเตรียมตัวไปเที่ยวกับอ้ออัรดาเดินตามมาด้วยก็อย่างนี้แหละอย่างที่เพื่อนเล่าให้ฟังพอท่านข้าบดีไม่อยู่ก็หนีไปเที่ยวหาความสนุกสนาน<ะ>เอ๊ะทำไมทำกิริยาอย่างนั้นพอเลิไมาเห็นยกภู้สาขึ้นปิดปากปิดจมูกขมวดคิ้วแสดงอาการเย็ดยามแม่อะไรจ้ะลูกดูทาก็สิ ทำหน้านิวคิ้วก็หมดไม่พอใจอะไรใครแล้วลูกก็นั่นไงล่ะที่กําลังถูพื้นเหยงเห ย, ง, ย, ง, ยงนั่นแหละอ๋อเจ้าเรวตะต้จ้จันธานเดนมนุษย์มันทําอะไรลูกแม่บอกแม่สิลูกไม่จะจัดการกับมันเองมันไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่คนจันธานเดนมนุษย์อย่างเนี้ยไม่อยากเห็นหน้าเมื่อไหร่มันจะหนียวจากบ้านเราไปทีก็ไม่รู้นั่นแหะสิแม่กําลังคิดอยู่เหมือนกันถต่ยังไงแม่ก็ต้องกําจัดมันให้หนีจนได้ แม่น่ะทนดูตัวกาลีต่อไปไม่ไหวแล้วลูกก็เข้าใจเลยว่าทำไมพ่อจึงยอมลดเกียร์อันสูงส่งของวันณพรามอันศักดิ์สิทธิ์ลงไปรับเอาตัวจันไรเข้ามาไว้ในบ้านถ้าไม่กลัวบ้านจะแปดเปื้อนสิ่งอัปมงคลหรื อ, อยังไงนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อของลูกเนี่ยทาคล้ายกับว่าคนวันณพรามอ่ะได้สูญสิ้นไปหมดแล้วจากพื้นชมพูทวีปถ้าพ่อของลูกยังคืนทาอย่างนี้ต่อไปนะ แ, แม่เห็นจะทนดูหน้าชาวกรุงสาวัถีต่อไปไม่ไหวแน่ไม่กันถลุกไม่เป็นหน้ามันเลยเพิ่าจะรู้แน yeah, ่ชาเดี๋ยวนี้เองว่าท่าทีเป็นศัตรูของนายมาจากความเป็นจันทันไม่ใช่เพราะความบกพร่องในการงานหรือมารยาทอย่งนี้เห็นจะไม่มีทางแก้นอกจากตายไปแล้วไปเกิดใหม่ในวันน้าพรามณ์ไม่อย่างนั้นก็หนีไปจากบ้านอันแสนเจทรมาน ่พ่อมาเยี่ยมดีใจมากที่เดียล่ะพ่อฉันภาวนาขอให้พ่อมาเยี่ยมเร็วๆพ่อมาจังหวะเหมาะที่ท่านข้าบอดีไม่อยู่เลยไม่ได้คารวะขอบคุณเอจะดูเจ้าผิดสังเกตไปนะหน้าตาเศร้าหมองยังไงเชากคนมีอะไรที่ทําให้เจ้าไม่สบายใจอย่างนั้นเหรอเรวัตจักพ่อฉันมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับท่านขหาบอดีล่ะสิ เออเท่าที่พอรู้จากปากคาของเจ้าท่านก็เป็นคนดีให้ความเมตตาแก่เจ้ามากนี่นะท่านคาบดีให้ความเมตตาแก่ฉันมากบุญคุณของท่านฉันจะไม่มีวันลืมท่านรักฉันเหมือนกับเป็นลูกชายคนหนึ่งแต่แต่อะไรล่ะเรวัตต์พัญญาของท่านกับลูกสาวคนโตไม่ชอบฉันดูหมิ่นเหยีดยดหยางว่าฉันเป็นจันทรานเวลาที่ท่านคาบดีไม่อยู่ ออกไปค้าขายต่างเมืองฉันก็ถูกกลั่นแกล้งให้ทำงานหนักเช่นเดียวกับทาสแต่นั้นฉันไม่ว่างานหนักแค่ไหนฉันทนได้เพราะตอนอยู่กับพ่อแม่เคยละบากมาแล้วแต่ดุด่าด้วยถ้อยคำอยากคายนี่สิฉันเหลืออดเหลือทนจริงๆแล้วเจ้าจะทำยังไงขอให้ฉันกลับไปอยู่บ้านงานบ้านทุกอย่างจะทำเองคนเดียวได้อดทนเอาหน่อยลูกเอ้ย อุตสาทําความดีเข้าไว้บางทีความดีอาจจะชนะใจเขาได้ถ้าทนไม่ไหวจะกลับไปอยู่บ้านพ่อก็ไม่ว่าแต่ต้องรอให้ท่านข้าวบดีกลับมาสัก่อนจะได้อําลาท่านตอนนี้ก็ทนไปก่อนนะลูกนะจะพอ่อฉันจะอดทนจนถึงที่สุดดีแล้วลูกพ่อเห็นจะต้องกลับแล้วนะและพ่อจะมาใหม่จากพอ่อ Thank you. อยู่ตามคำขอของพ่อก่อนนอนทุกคืนจะต้องสวดมนต์วิงวอนพระศิวะเป็นเจ้าขอจงมดาลให้ท่านขหาบดีกลับมาไวๆพระปินเจ้าในสวงสวรรคคงจะได้ยินเสียงร่ำร้องในหัวใจในไม่ช้าท่านก็กลับมาสิทธิต่างๆจึงได้รับเหมือนเดิมณพระมารีและกัณ น, นิกา กับปฏิบัติอย่างหน้ามือเป็นหลังมือแสดงความเมตตายอย่างออกนอกหน้าทำไมจะไม่รู้ทั้งหมดที่เขาทานี้เป็นการเอาอกเอาใจท่านข้าพอดีเท่านั้นแต่ยังไงก็ตามตลอดเวลาที่ท่านข้าพอดีอยู่บ้านท่านไม่มีความสุขอย่างที่สุดเกือบจะลืมความทุกข์ที่ได้รับตอนที่ท่านไม่อยู่แต่แล้วท่านก็ต้องจากไปค้าขาย ดีมากเจ้าคนถ่อยเอ๊ะอะไรกันอยู่ดีๆนาพราหมณีก็เข็นเขี่ยวเข้ามาหาเราเน่แกไม่ต้องมาจ้องหน้าฉันเขาพรเจ้าไม่เข้าใจที่นายท่านพูดจะเข้าใจได้อย่างไงก็แกมันโง่ที่ฉันว่าแกทําบีนั่ะกบร้อแกไม่บอกให้สามีฉันรู้ตอนที่เขาไม่อยู่ฉันทํำยังไงกับแกแต่ถึงแกบอกนะเขาก็คงไม่เชื่อความดีของแกครั้งนี้ฉันจะให้รางวัลแก ขอบคุณนายท่านฟังนะรางวัลที่ฉันจะให้แกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกจะต้องไปอยู่ในกระท่อมที่สวนหลังประสาทฉันทนอยู่ร่วมกับตัวกาลีมานานพอแล้วเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนายท่านแล้วหน้าที่ของแกในสวนก็ตัตกน้ํารดต้นไม้ถางหญ้ารวนดินเท่า น, นี้แหละรีบย้ายไปพ้นหน้าพ้นตาซะเดี๋ยวนี้ นั่นว่าต้องหอบผ้านุง่งผ้าห่มไปอยู่กระท่อมเล็กๆในสวนทำหน้าที่ตักน้ำรดต้นไม้ถางหญ้าปูนนินมีนาคาสีคนหนึ่งเป็นคนควบคุมดูแลเช้าและเย็นมีทานนำอาหารมาส่งอาหารก็ไม่มีอะไรนอกจากข้าวปลายกเกวียนและน้ําผักดองแต่ถึงแม้จะทํางานหนักก็ยังสบายกว่าอยู่ในคฤหาสน์ ไปตอนได้ยินเสียงดุดาเหยียดหยาได้ถ้อยคำที่ยากายต่างๆอีกประการการอยู่คนเดียวเงีย บ, ยบๆก็ถูกกับนิสัยอยู่แหละเพราะเคยอยู่โดดเดี่ยวมาแทบตลอดเวลาไมีโอกาสอยู่ร่วมกับพ่อแม่โดเฉพาะเช้า เ, าเย็นและกลางคืนเท่านั้นตลอดกลางวันอยู่ป่ากับวัวคู่ชีพและเพื่อนเด็กจันผ่าน ทิดทางหญ้าในสวนเกือบตลอดบ่ายกว่าจะเสร็จก็เย็นมากแล้วเหน็ดเหนื่อยมากกว่าทุกๆวันเลยเดี๋ยวกรับถึงกระท่อมอาบน้าแล้วรีบนอนทันทีเห็นทีพล้มตัวลงนอนคงฉลาบเป็นตายาถึงกระท่อมเหมือนถึงวิมานเอ๊ะนั่นอะไรวางอยู่กลางห้องเป็นหอของอย่างใดอย่างหนึ่ง มันไม่ใหญ่โตนะมีเชือกผูกมัดแข็งแรงอะไรกันเนี่ยและมาเป็นของใครหล่ะค่อยๆแก้เชือกออกมือทำไมต้องสั่นโดยก็ไม่รู้จใจเต้นตึกตักเป็นตีกลอง เห็นจะเป็นเพราะความตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นว่าในข อ, อนี้มันมีอะไรเห็นแล้วมะม่วงกำลังสุกสามผลข้าวทุกปายาดหลายก้อนแผ่นเนื้อโคปิ้งอย่างดีสามแผ่นอ้อมีจดหมายอีกด้วยสิตรวตะ รู้ว่าเธอกําลังอยู่ในห่วงมหันตทุกข์เพื่อถูกนางชาแมณีและกันนิกาเบียดเบียนเขาทั้งสองทํากับเธออย่างทารุณมากฉ่นเห็นแล้วสุกที่จะนิ่งดูไดาอยู่ได้จึงตัดสินใจที่จะช่วยเธอเท่าที่จะช่วยได้ขอให้เธอรู้ไวถ้ถต่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะมีเพื่อนผู้หวังดีคอยช่วยเหลือเธออยู่ในบริเวณนี้จงรับของฝากเล็กน้อยของฉันไว้ แล้บบอทพ่อเถิดผู้หวังดีผู้หวังดีงดใครกันนาะคือผู้หวังดีส่งสิ่งของและจดหมายนี้มาให้ดีใจและตื่นเต้นจนหายเหน็ดเหนื่อยหมดสิน้นไม่อยากจะเชื่อเลยก็จะมีคนใดคนหนึ่งในเค ร, รือข่ายนี้เป็นผู้ส่งสิ่งของนี้มาให้พรดูท่าทีเป็นศัตรูด้วยกันเท่านั้น เราจับท่านกหาบาดีและชัยเสนเท่านั้นแต่เวลานี้ท่านทั้งสองก็ไปค้าขายเมืองไกลถ้าอยากเป็นไข่ล่ะอาหารนั้นน่ากินจริงๆคงจะอร่อยมากต้องกินให้สมกับความอยากแต่ว่าช้าก่อนกินสุ่มสี่ซุ่มห้าไม่ได้อาหารเหล่านี้ไม่รู้ว่าบริสุทธิ์หรือเปล่าอาจจะมีบางคนมุ่งร้ายชีวิต ทางที่ดีห่อไว้ตามเดิมก่อนดีกว่าเอ๊สงสัยว่าผู้หวังดีเป็นใครเธอน้าพวกนี้ชาวจะถามนางคาสีคงได้เขาอะไรบ้างหรอกนะ นำอาหารมาส่งแล้วอาหารมาแล้วเลวตะท่านรีบพินเสะให้อิ่มเดี๋ยวจะได้ทํางานไม่ต้องบอกหรอกยังไงข้าพเจ้าก็ต้องทําแน่นี่ไม่ใจ่ข้าพเจ้าเร่งหรอกนะเป็นเพราะความหวังดีนายท่านมาเห็นท่านอ้อยอิ่งจะดุด่าเอาท่านเข้าอีกเราเป็นคนใช้ก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันขอบใจมากอ๋อเดี๋ยวก่อนพระคินีขอถามอะไรหน่อยถ้าต้องการจะถามอะไรเย็นวานนี้ ท่านนาอาหารมาส่งข้าพเจ้าเป็นปกติอยู่หรือเปล่าเมื่อวานข้าพเจ้าไม่ได้เอกมาไม่ได้เอามาถูกแล้วข้าพเจ้าไปตักน้ําที่แม่น้ําอัจิรัวดีพร้อมด้วยนางกุมภทาเสธทั้งหลายกลับถึงครหาตข้ามเกินไปเลยไม่ได้เอาอาหารมาให้แล้วถ้าอย่างนั้นใครนําพออาหารนี้มาให้ข้าพเจ้าอ่ะไหนพออาหารที่ท่านว่านี่ไงขอข้าพเจ้าดูหน่อยเอาไปดูเลยพิจารณาดูให้ดี พอจะบอกข้าพเจ้าได้หรือยังว่าห่ออาหารของใครข้าพเจ้าไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะเหรอก็จริงนะสิท่านพบที่ไหนที่กลางห้องนั่นอาหารดีๆน่าอร่อยนะท่านกินอร่อยไหมข้าพเจ้าไม่ได้กินน่ะอ้าวทาไมล่ะไม่รู้ว่าของใครแล้วจะกินได้ยังไงไม่รู้ว่าเขามีจุดประสงค์อะไรที่ทําอย่างนี้ท่านไม่รู้จริงๆเหรอว่าห่อนี้เป็นของใครข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆถ้ารู้ก็บอกแล้วละสิ เร่องอะไรจะต้องปิดบงังเข้าไปเจ้าไปแหละจะต้องรีบไปทำงานที่อื่นอีกเป็นอันว่ายังเป็นความลับต่อไปผู้หวังดีคือใครนอ